ผลนี้เป็นของเลืออ่นแบบน่ะปฏิบัติด้วยศรัทธาอย่างเลววิริยะอย่างเลวสติอย่างเลวสมาธิอย่างเลวปัญญาชั้นเลวเนี่ยนะติติด ด, บ, ดบๆเนี่ยอย่างนี้สมควรไหมที่จะบรรลุธรรมะเลิ่ก็ไม่สมควรดูก่อนพิสูนออจน์นครูอาจารย์นี้ผ่องใสอันน่ะถ้าเจริญตามนี้จริงๆแล้วใสนะเน่ปัญญาก็ใสเรวว่าประดุทเพลเนี่ยนะโอ้โว เป็นผองใสมากถ้าเป็นอาหารก็เออเป็นน้ำเป็นยาก็เป็นใช่ไหมรู้เปล่าใสกว่านะน่าดื่มกว่าเยอะเนี่นะน่าดื่มกว่าเยอะเดิมน้ํำคืออริยมรรคนี่จะไม่ไม่เดือดร้อนเรื่องลงข้างทางอะไรไม่ต้องแวะข้างทางนี่ยนะนะถ้าเดิมน้ํำคืออริยมรรคเนี่ยนะเพราะน้ํำคืออริยมรรคนี่เป็นธรรมะอันเลิศเพราะนั้นธรรมะคือมรรคกัปปมจานิใสศีลเนี่ยใสเมื่อไรเนาะที่เราเห็นว่าศีลเนี่ยใสมาก กล่าวไว้ดีเวาวาประดุดเพชรสมาธิก็ใสเวาวาประดุจเพชรปัญญาก็ใสเวาวาประดุดเพชรญญเชรนี่ยนะโอ้โหเป็นผ่องใสามากถ้าเป็นอาหารก็ เ, เป็นนั้นเป็นยาก็เป็นชยาชนิดที่น่าดื่มมากถามว่าทำไมาพรมจันนี้จึงผ่องใสน่าดื่มน่ารับประทานน่าบริโภคพูดสมัยพุทธกาลบอกว่าเพราะพระศาสาศดาอยู่พร้อมหน้า สมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่พร้อมหน้าใช่ไหมตอนนี้ถามว่าพระศาสดายังอยู่พร้อมหน้าเราไหมพระองค์ตรัสก่อนตรินิพพานว่ายังไงธรรมวินยัยใดอันเรากล่าวไว้ดีแล้วบัญญัติดีแล้วธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาจักเป็นศาสดาแก่เธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราหมายความว่าตอนนี้ก็ยังมีที่ว่ามีศาสดาใช่ไหมเพราะว่าพระธรรมพระธรรมเป็นสรีระของ ภาษาสดาเพราะฉะนั้นถ้าภาษาสดาคือพระธรรมคาสอนยังอยู่เราจะไปหนักใจทําอะไรคือถ้าคําสอนยังอยู่ไม่น่าหนักใจเลยแต่ถ้าไม่มีคําสอนนี่สิไม่ได้ยินได้ฟังคําสอนนี่สิอันนี้น่าหนักใจถ้าหากว่าคําสอนก็ยังมีอยู่อย่างนี้เหมือนอะไรนะเหมือนขุมทองก็ยังมีอยู่ขุมทรัพย์ก็ยังมีอยู่ลายแทงก็ชัดเจนอ่ะอัไรลายแทงก็ชัดเจนเป็นต้นเนี่ยถามว่าน่าหนักใจไหม ไม่น่าหนักใจสักเท่าไร่พันคําสอนในยุคนี้เนี่ยถ้าโดยส่วนตัวหอมมาไม่รู้สึกว่าหนักใจหนักใจว่าทําไมเราไม่ทําตามหรือทําไมเราทําตามไม่มากเท่าที่ควรจะเป็นเออตรงนี้น่าหนักใจเ อ, อ้ทาไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคําสอนเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มีอยู่ถ้าหากว่าเราทั้งหลายมาเกิดก่อนหน้านี้ร้อยปีจะเดือดร้อนกว่า น, นี้เยอะแล้วถ้ากเกิดหลังจากนี้อีกสักห้าสิบปีนะแน่ใจนะมันจะได้ศึกษาพระธรรมอีก พูดอย่างนี้เดี๋ยวคนอื่นจะเทือนไปกลับมาเรียนใหม่ะนะแต่ว่าแม้ถ้ากลับมาเรียนในหมู่มนุษย์นี่หนักใจแทนจริงๆนะถ้าใครจะกลับมาเรียนใหม่เนี่ยนะน่าเห็นใจมากๆเลยอมุ่นจะมาใหมา่ไหมชาติหน้านะนีอ๋อชาติหน้าจะกลับมาเรียนอีกก็ดูเอากันแล้วกันเนี่ยวัดพระเชตวันเนี่ยอย่างที่เห็นเห็นเนี่ยสะมาเรียนว่ายอย่างไรเนาะนะ่นีน่ย ก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะว่าพระสูตรที่ที่ใครมาเชตวันจะเอาพระสูตรมาอ่านมาละลึกถึงคําสอนเนี่ยมากไหมมาก็ต้องการจะมาซื้อบุญกลับไปหนักๆเข้าก็มาซื้อแบบพระออิฐพระเครื่องเนี่ยไปเนี่ยนะก็แทนที่จะได้พระตะนาตรปลกลับไปก็ได้พระเครื่องกลับไปมาครั้งที่แล้วบอกใจนี่เป็นฉันทราค่าอาศัยเรือนเป็นฉันทราคัานดินแถวนี้นาฏบรมเนี่ยนะคือ คือพระองค์นี้ก็ตรัสเสมออยู่แล้วว่าเราจะเล่าเวรเป็นต่างๆคือว่าไปองค์ใหญ่ขนาดไหนก็ได้เสาชิงชา้าเสาชิงชา้าชิงช้าสวรรค์ไม่ใหญ่ <c oughs> พรนนก็ทําไปร้องไห้ไปอนะทีนี้เทวดาก็มาบอกท่านพระนรนท่านโมแตร้องไห้อยู่อย่างนี้แล้วท่านจะไปสอนคนอื่นว่าอย่างไงว่างั้นท่านจะไปแนะนําคนอื่นว่าอย่างไง พ, พนอพระนรนท่านก็สลดใจนะว่า ที่ท่านเสียใจนี่เป็นฉันทราคาอาศัยเรือนเป็นฉันทราคาที่อาศัยวัตถุกรรมเห็นไหมคือคือพระองค์นี้ก็ตรัสเสมออยู่แล้วว่าเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปซึ่งถ้าห่าว่าไปนึกถึงธรุดะขันถ้านึกถึงธรุดะขันธรุดะขันก็มีความแตกทําลายเป็นธรรมดา ถ้านึกถึงเวทนาขันเวทนาขันก็มีความแตกทําลายเป็นธรรมดาถ้านึกถึงสัญญาขันสัญญาขันก็มีความแตกทําลายเป็นธรรมดาถ้านึกถึงวิญญาณขันวิญญาณขันก็มีความแตกทําลายเป็นธรรมดาขันห้าทั้งหลายที่เที่ยงมาจากไหนอันท่าเน้นก็โมแต่อารย์อาวรนในในขันห้าเมื่ออารยอวรนในขันห้าด้วยอํานาจฉันทาราคะด้วยอํานาจอะไรนะ ฉันทราค่าอนอาศัยเรือนด้วยอํานาจโทมานัาน์อนาศัยเรือนคือร่างกายหรือขันท่าถามว่าถ้าท่านเป็นอย่างนั้นเป็นศีลขันไหมเป็นไหมเป็นสมาธิขันไหม้ไม่เป็นเป็นปัญญาขันไหม้ไม่เป็นแล้วท่านท่านนลชื่อว่าดําเนินตามสิกขาที่พระพุทธเจ้าแนะนํำไหมก็ไม่เป็นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหาว่ามัวแต่ฮวนลําลึก โดยเฉพาะถึงพระรูปตะขันมากก็ไม่เป็นไปตามที่พระ อ, องค์ต้องการเนี่ยนะที่พระ อ, องค์ตรัสว่าดูก่อนวัคกลีจะประโยชน์อะไรด้วยกายอันเปื่อยเน่านี้เนี่ยนะผู้ใดเห็นอริยสัจธรรมเห็นโลกุตรธรรมผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นเราตถาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรที่จะพิจรารณาเรื่องเลยไปว่า พระ อ, องค์ผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมผู้เป็นพระธรรมสามีผู้ตรัสรู้อริยสัจธรรมพระ อ, องค์ก็ยังต้องดับขันตรีนิพพานนั้นพระ อ, องค์นี้เป็นสุขเตเป็นผู้ไปดีแล้วพระองค์ทั้งละพระ อ, องค์นั้นเป็นผู้ที่เรียวกว่าทิ้งขันอันนี้แล้วไม่ถือเอาภาระอันใหม่ที่จริงเราก็ถ้ามองให้ดีๆมองระดับหนึ่งถ้าไม่เป็นการเห็นเกิตัวจนเกินไปการที่พระ อ, องค์ดับขันตรีนิพพานกับให้พระ อ, องค์อยู่แบบ สมมติ น, นะถ้าอยู่จนถึงทุกวันด้วยความปวยไข้กร ะ, ะเพกระเทกเต็มทีเนี่ยพรองควรจะเป็นยังไงก็ปรินี้ผ่านมันพระองค์นี้ไปดีแล้วเพราะเราก็มองว่าพระองค์นี้สุขโตเสด็จไปดีแล้วอย่างแท้จริงไม่แย่งหามาตลอดเวลาเสียสงไขแสนกลับเพื่อที่จะยังหมู่สัพพสัตให้ตรัสรูสนะ้เกี่ยวส่องนะคราะวะอารุณขึ้นของดวงอาทิตย์ส่องสว่าง ชี้ให้โลกทั้งหลายเนี่ยมองเห็นที่สม่ำเส ม, มอที่เรียบที่ไม่เรียบแล้วดวงอาทิตย์ก็โคจรลับไปหายไปฉันใดพระพุทธเจ้าผู้อุบัติเกิดขึ้นมาในโลก ชี้ประโยชน์ชี้บุญชี้บาปชี้ความดีความชั่วชี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคชี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แล้วพองก็ล่วงลับไปกิจอันใดที่พองคแสวงหามาตลอดเวล า, าเสียสงไข่แสนกับเพื่อที่จะยังหมู่สัพพสัตว์ให้ตรัสรู้กิจเหล่านั้นพองก็ทําสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราก็หวนมาแลึวลกว่าพองพูดสำเร็จไป ด, ดีแล้ว ะเราก็ขอนั้นถ้าสิ่งที่เราควรจะทำให้ดีที่สุดถูกที่สุดก็คือปฏิบัติในศิกขาสาด้วยความไม่ประมาทอันนั้นเป็นกิจที่พรองชี้ให้เราบอกเราเสมอว่าศิกขาสามอธิศีและสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาทำ้นเราจะนึกถึงวันนี้รูป เวทนาทั้งหลายก็ดังนี้ความดับไปแห่งรูปดังนี้เวทนาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาดังนี้ความดับไปแห่งเวทนาเป็นต้นดันั้นการใส่ใจแบบนี้ควรใส่ใจให้มากเพราะว่าการคิดแบบนี้แหละเรียกว่าพรหมจรรย์เรียกว่ารมจรรย์เรียกว่าเป็นความประพฤติประเสริฐอันนะีสัมว์ทั้งหลายเสียใจพระรูปใด ผู้ที่จ เ, รมม จ, เรมมรจริญมรรคผลมรจันพิจารณาว่านี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับไปแห่งรูปความประพฤตินี่แหละจะทําให้จิตของเขาผ่องใสว่ารูปทั้งหลายเข้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเวทนาทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นจริงสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเช่นนั้นจริงเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายแม้ในรูปควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายแม้ในสัญญา ควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายแม่นสังขารบุควรแล้วที่จะเบือหน่ายแม่นายวิญญาณควรแล้วที่จะเบื่อ ห, ห, ห น, ญญน่าย ใ, ในขัน ท, ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันขันทั้งภายในทั้งภายนอกขันที่หยาบละเอียดเลวเปรี้ยนทั้งอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใก ล, ล้อยู่ใกล้ๆนี้ด้วยนะอยู่ไกลๆที่ที่ไหนต้องบินข้ามน้ำไปนะก็ควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายทั้งหมดเมื่อเบื่อหนายย่ำคลายกำหนัดถ้าคลายกำหนัดก็จักทาที่สุดแห่งทุกข์ได้ กวนแล้วที่เราจะประพฤติพรหมจรรย์ทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าการคิดแบบนี้เรียกว่าพรหมจรรย์อันนะั้คือข้อปฏิบัตินะการที่มาคิดเรื่องอริยสัจบ่อยๆนี่คือข้อปฏิบัติถ้าเราไม่คิดอริยสัจแล้วเราจะไปคิดอะไรเนาะเหอนนะ้นเราคิดว่ายังไงก็คิดว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราในอลรคัตูปมสูตรอัตฉริยะกล่าวว่าผู้ที่ตามเห็นขันห่าว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเนะ เป็นการทำลายศาสนาอีกวิธีหนึ่งเหมือนกัน น, นัเนห่ยนึกออกแล้วว่าเ อ, อการที่ใส่ใจขันห่าว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราด้วยหน้าตันหามานณทิฏฐิเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาเหมือนกันทำไมรู้ไหมทำไมถ้าใส่ใจด้วยตันออด้วยว่าของเราเนี่ยอะไรตันหาถ้าตันหานี่ขัดกับสิกขาไหน ตันหัดเป็นปฏิปักต่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะเพราะความคิดอันนี้ถ้ามันลุกลามใหญ่โตถึงกับทําลายคําสอนพระพุทธเจ้าได้เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าอเอาใหม่หลายวันนใจวันนั่นนั่นของเราก็ขัดต่ออันปนิหิตาวิโมกหรือขัดต่อทุกขานุปัสนาถ้าใส่ใจว่าเราเป็นนั่นขัดต่ออะไรขัดต่ออนิจจานุปัสนาหรือขัดต่อ อ, อนิมิตาวิโมกถ้าใส่ใจว่านั่นอัตตาของเราขัดต่อ อนัตตานุปัสนาสุญญะตสุญญะตวิโมกทั้นการใส่ใจว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะเพราะความคิดอันนี้ถ้ามันลุกลามใหญ่โตถึงกับทําลายคําสอนพระพุทธเจ้าได้เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ใส่ใจขันทั้งหลายว่า น, นั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรา น, นะนี่ก็เพราะว่านี่นะเพราะใส่ใจว่าเราว่าของเราก็เลยต้องมาวิ่งอย่างนี้เลย โดยสรุปในทุติยทุสโพละสูตรโพลงตรัสว่าเพราะเหตุนี่แหละเพราะเหตุนี้เหตุไหนเพราะเหตุที่พรหมจรรย์ควรดูนี่แหละเพื่อสูตรทั้งหลายเธอทั้งหลายจงปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุรำที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งทำที่ยังไม่ทําให้แจ้งนะเพื่อบรรลุทำที่ยังไม่บรรลุเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงโลกุตระธรรม โสกาไปดิเทว่าอันนี้ไม่ต้องเห็นไหมหมายถึงว่าเพื่อถึงทำคือโลกุตระธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุโลกุตระธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งโลกุตระธรรมที่ยังไม่ทําให้แจ้งเธอทั้งหลายพึงทําศึกษาอย่างนี้ว่านะถ้าท่า อ, องสอนนักเดือดน่ะนะว่าพรหมจรัมรของเราทั้งหลายเนี่ยจะไม่ต่ําซามอันนี้ถ้าแปลงนิดหนึ่งนะไม่ต้องไม่เล่ยแปลงเพื่อเสียหายนะแต่แปลงเพื่อเราบอก เธอทั้งหลายพึงทําศึกษาอย่างนี้ว่าการมานระรการสังเวชนียสถานของเรานี่จักไม่ต่ําสามจักไม่เป็นหมันมีผลมีกําไรเนี่ยนะให้มีผลมีกําไรนะคุณชุจินบอกโหลงทุนสูงมากเพราะงั้นแล้วก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะตอนก็ลงทุนอะไรบ้างโอลา ง, งานน่าสิบห้าวันอย่างเงี้ยนะลงทุนก็เหน็ดเหนื่อยโหลงทุนแดงมากเพราะฉะนั้นการมาครั้งนี้หวังว่า อัานเล่าได้กำไรกลับไใช่ไหมไม่ตำแซมโอไม่เป็นหมันนะไม่ใช่นึกแล้วฟาวหมดเลยไม่ใช่เป็นหมันคืออะไรคือแบบพูดแบบไม่ก็กีฬาก็ฟาวอ่ะอ้าเป็นผู้หญิงก็ไร้ลูกไล่อะไรเนี่ยนะหมันก็คือไม่มีลูกไม่มีผลไม่มีอะไรงอกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจมาเจริญสิ่งที่เรามาทําเหล่านี้เนี่ยทํายังไงจะไม่ตำแซมไม่เป็นหมันมันก็ควรที่จะเจริญกุศลพราพวกปัจจัยสี่จีวรบินฑบาตสายเนคขมะละ โทมนัสอาศัยอาศัยเรือนเนี่ยนะอาศัยวัตถุ ก, การลูกคคลพิสูจน์ทั้งหลายอันบุคคลทีนี้ถ้าหากว่าเราก็มาคิดใหม่นะถ้าเรามาอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าทําด้วยความรู้ความเข้าใจทําด้วยความจริงใจสักการะทั้งหลายที่เราบูชาพระพุทธนตรายก็จะมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากเครื่องสักการะอันเดียวกันถ้าจิตโสมนัสปราบเพื่อมกับไม่โสมนัสไหนมีผลมากกว่ากัน สมนัสปราบโล้น ม, มีผลมากกว่ากันน่นะมันก็ควรที่จะเจริญกุศลเพลิงตัดให้อาศัยสมนัตอาศัยเนคข ม, มะละโธมนัสอาศัยอาศัยเรือนเนี่ยนะอาศัยวัตถุ ก, กรรมดูกอพิสูนทั้งหลายอันบุคคลผู้เล็งเห็นประโยชน์ตนสมควรแท้เพื่อจะยังกิดให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ร, รู้นะประโยชน์ตนคืออะไร ประโยชน์ตนก็สูงสุดเลยก็คืออรหัตผลนี่แหละชื่อว่าประโยชน์ตนอย่างแท้จริง น, นะถ้าไล่ขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ศีลใช่ไหมศีลก็เป็นประโยชน์ของตอนนะสมาธิก็เป็นประโยชน์ของตอนปัญญาก็เป็นประโยชน์ของตอนการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจบรรลุมรรคผลก็ชื่อว่าเป็นประโยชน์ของตอนเมื่อเราเห็นประโยชน์ตอนอันนี้สมควรแท้ที่จะยังกิจ น, นะนะทำกิจนะถ้าจะโดยเฉพาะกิจคือการแทงตลอดอริยสัจก็ ยังก <departed. |mt|> ิจคือทําปริญญาด้วยความไม่ประมาทยังกิจค <IS Y> ือการละสมุทัยด้วยความไม่ประมาทยังกิจคือการทํานิโรธให้แจ้งด้วยความไม่ประมาทยังกิจในการเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดด้วยความไม่ประมาทในขณะเดียวกันถ้าเล็งเห็นประโยชน์ผู้อื่นสมควรแท้ที่จะยังกิจในการแทงตลอดอริยสัตว์ด้วยความไม่ประมาทสมมตินถ้าเราปฏิบัติแล้วรู้อริยสัตว์ชื่อว่าเรารักษาประโยชน์คนอื่นด้วยนะ ถาเราไม่ปฏิบัติเพื่อให้รู้ประโยชน์แม่อริยสัจนะเราทําลายประโยชน์คนอื่นด้วยเหมือนกันสมมุติถ้าเรามาสังเวชนีสถานมาแล้วก็กลับเป็นหน้าดำคร่าเครียดเอะอะโวยวายตลอดแล้วคนหลังๆเขาจะมาไหมไม่มาแน่สายไม่ดีคนเอยคนก่อนเนี่ยกลับมาเหมือนในเรื่องนะอย่าไปเนื่องไงนะเพราะฉั้นประโยชน์ตนกัเสียหายประโยชน์ผู้อื่นก็แตกทําลายเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ไอ้นคนอื่นที่ว่าใครรู้ไหมกับลูกหลานเราเป็นต้นนั่นแหละโอ้ยสมัยคุณพ่ อ, ค, พอคุณแม่คุณตู่คุณย่าตายเนี่ยเห็นก็กลับมาหน้าดำคลําเครียดเพราะฉะนั้นก็เลยลูกหลานก็เลยพ่านไม่อยากจะมาอีกเลยนะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันว่าเล็งเห็นประโยชน์เราด้วยเห็นประโยชน์ของบุตรหลานเป็นต้นด้วยสมควรแท้เพื่อจะยังจิจในการปฏิบัตปฏิบัติธรรมให้รู้แจง้งแทงตลอดอริยสัตว์ด้วยความไม่ประมาทนะอันนี้ก็ตนข้อความในทุติยทศโพลสูตร ทีนี้ในขณนะเดียวกันเน่นะเข้ามายล้อยากจะกล่าวถึงเกี่ยวกับพระพุทธเจา้าบรรลุสีหนาถอีกสูตรหนึ่งซึ่งเรียกชื่อว่าจูลสีหนาถสูตรเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนนะเดี๋ยวคนรักษาศีลแปดเขาอดอาหารหัรวไมท่ทาด้วยเนี่ไม่ได้ฉันถ้าบอกว่าเ้าเรื่องฉันนายยกให้คนอื่นหน่อยนะจริงก็โดยอ้อมคือในพระวิหารเชตะวันนี้เหมือนกัน สมัยนั้นพระผู้มีพร ะ, พระภาคบุคคลเลยที่สูงทั้งหลายสมณะมีในศาสนานี้เท่านั้นสมณะหมายถึงพระโสดาบันสมณะหมายถึงผู้มีสามัญญผลเนี่ยมีในศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สองคือพระสกอาทาคามีมีในศาสนานี้เท่านั้น คือมีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่สามคือท่านาคามีมีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่สี่คือท่าอรหรันมีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นลัทธิอื่นว่างจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงท่านอะไรเป็นกรรมที่ไหนบ้างก็คือลัทธินอกพระพุทธศาสนาไม่มีพระอริยบุคคลเลยไม่มีพระโสดาบันไม่มีพระสกท า, าคามีไม่มีพระนาคามีและไม่มีทร่ราอรหันอยู่เลย ดูก่อนพิสูุทั้งหลายพวกเธอจงบรรลืสีหนาถโดยชอบอย่างนี้ด้วยประการชนิดทีเดียว น, นะให้บรรลือศรีหนาถให้แผดเสียงคำรามได้เลยว่าพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะมีเฉพาะในพระาศาสนานี้เท่านั้นดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็เป็นฐานะที่จะมีได้ที่พวกปริภาชกอัญญาเดียร ถ, ถีในโลกนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าอะไรเป็นความมั่นใจของพวกท่านอะไรเป็นกําลังของพวกท่านพวกท่านพิจรารณา เห็นในตนด้วยประการอย่างไรจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะที่หนึ่งมีในศาสนานี้สัมเนที่สองสามสี่ก็มีแต่ในศาสนานี้ลัฐที่ของศาสดาอื่นว่างจากผู้รู้ทั่วถึงลัที่ศาสนาอื่นว่างจากพระอริยบุคคลท่านเอาอะไรมาเป็นเครื่องมั่นใจเนี่ยนะก็เหมือนกับอย่างยุคนี้ก็เหมือนกันนะบอกว่าข้อปฏิบัติที่ถูกเนี่ยมันอยู่แต่ในรักในกลุ่มของเราเท่านั้นแหละกลุ่มอื่นปฏิบัติผิดหมด สมมุติถ้าใครมีความคิดแบบนี้ขึ้นนะนะก็มาทบวนะทวนมาทําไมจึงกล้าคิดแบบนั้นนะนะในในทุกกลุ่มเลยนะเออก็แปลกนะก็กลุ่มเรานี่มันใช้ได้กับเพื่อนแต่กลุ่มอื่นมันใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกต่เนี้เทนี้ถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถามว่าเอาอะไรเป็นเครื่องมั่นใจนะเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองเออนี่ที่ฉันคิดเนี่ยมันถูกหรือมันผิดยังบ่น อ, อะไรมัด อ, อะไรรับรอง อ, อะไรรับรองมั่งจ่า อริยมรรคนี่แหละองสาทุสูงมากพี่อิดบอกว่าตรงตามสิกขาสามคุณทุจินเอะไรเป็นเครื่องรับรองออปฏิบัติแล้วเห็นตามที่ท่านตรัสคุณน้องคุณน้องอ๋ออริยสัจอ๋อกําจัดกิเลสได้ไหมเป็นต้นเลยนะเอาอริยสัจมาวัดเอาปฏิจจสมุปบาทมาตรวจสอบอ๋อแล้วกาจัดกิเลสได้จริงไหมล่ะคุณนภาเอาอะไรเปเครื่องวัด อ๋เอามักผลเป็นเครื่องวัดโอ้สูงกันมากๆเลยผู้การนะผู้การเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาตอนท้ายของเกษาปุตสูตรใช่ไหมว่ากําจัดราค่าโทสะได้ไหมเป็นต้นใช่ไหมเราเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษผู้รู้ติเตียนหรือสรรเสริญผู้ใดที่ประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์เป็นต้นอันนี้เป็นเครื่องวัดใช่ไหมในการบรรลุสีน่น้าเนี่ยถ้าเป็นสูตรนี้นะ พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เอาโซตาปฏิยังค่าธรรมเป็นเครื่องวัดนั่นะคืออันว่าสัมมาทีฏหนึ่งสองสามสี่มีอยู่ในศาสนานี้ที่อื่นว่างอั น, น, นในศาสนาอื่นของเดรธีนี่คนละที่ที่หกสิบสองอัญ อ, อัญาตเดรธีปริพาชกผู้มีวาท่าอย่างนี้อันพวกเธอพึงกล่าวตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำมาสีประการอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าตรัสแล้วมีอยู่ ที่พวกเราเห็นธรรมะเหล่านั้นในตนจึงกล่าวอย่างนี้คือตรวจสอบดูแล้วว่าโสตาปัติยังฆะธรรมนี่มีอยู่ในตัวเราเพราะเราจึงกล้าปฏิยานว่าเป็นอย่างนั้นว่าสัมมาทีฏหนึ่งสองสามสี่มีอยู่ในศาสนานี้ที่อื่นว่างอันนั้นในศาสนาอื่นของเดเดทีนีคลนละที่ที่หกสิบสองนี่ไม่ใช่ธรรมะสี่ประการเป็นฉายหนึ่งความเลื่อมใสในพระาศาสดาของเรามีอยู่ เรามั่นใจเลยนะว่าพระพัพระพาถาคตเป็นพระอรหันต์ประสรูชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นต้นต่อไปความเลื่อมใสในพระธรรมของเรามีอยู่สามความเลื่อมใสในศีลของเรามีอยู่สี่ทั้งครือขัสและบันระชิบผู้ประพฤติทธรรมร่วมกันอันเป็นที่น่ารักน่าพอใจมีอยู่ ดูก่อนท่านผู้มีอายุธรรมะสี่ประการนี่และอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วที่พวกเราเห็นเอ่อเล็งเห็นธรรมะเหล่านี้ในตนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะมีในาศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สองสามสี่มีในาศาสนานี้เท่านั้นรัที่อื่นว่างเปล่าจากสมณะผู้รู้ทั่วถึง ทีนี้พวกเยรารถีเขาก็จะพูดอวัเอามั่งดิเอามั่งของเขาาก็มีนะเขาก็เลื่อมใสในศาสดาของเขาเหมือนกันนะเขาก็เลื่อมใสมั่นใจในพระธรรมของเขานะเขาก็าเลื่อมใสมั่นใจในศีลของเขาแล้วเขาก็รักสมัครสมากนกันดีปลองดองกันดีนี่แล้วอะไรเป็นความต่างกัน ระหว่างรัที่ของเขากับของเราต้นต้นเนี่ยนะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดมันต่างกันเพราะเขาก็นับถือศาสดาของเขาแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนกันธรรมะของเขาาก็เรียนเอาตายเนี่นะเขาก็รักไค่สามวิคีรองดองเงินต้นต้นเนี่ยนะแล้วอะไรเป็นเครื่องวัดกันนะทีนี้พระองค์ก็มามามามาเหมือนกับตั้งเป็นโรงวินิฉัยแยกนะอะไรนะตั้งเครื่องมือคับตั้งเครื่องมือแยกวัตถุอ่นะ แยกว่ายังไงก็ถามว่าพวกเธอพึงกล่าวตอบอย่างนี้ว่าผู้มีอายุความสําเร็จมีอย่างเดียวหรือมีมากอย่างความสําเร็จที่สูงสุดเนี่ยนะมันควรจะยากมากหรือว่ามันควรจะอย่างเดียวอริยมรรคมีอย่างเดียวหรือมีหลายมรรคมากนิพพานมีอย่างเดียวหรือมีหลายนิพพานกันแน่ะนะก็มาดูนะพราะเด็นความสําเร็จเนี่ยมีมากอย่างหรืออย่างเดียวผลพ่ายจะพูดให้ถูกต้องพูดว่ามีอย่างเดียวใช่ไหม ก็ความสําเร็จนี้เป็นของผู้มีราคาหรือของผู้ปราศจากราคะก็ปราศจากราคะนะก็เครื่องวัดดูนะว่ากิเลสมันลดลงตบอกเป็นของผู้รู้แจ้งผู้มีโทสะหรือปราศจากโทสะได้หรือไม่ยินดียินร้ายไม่ยินดียินร้ายใช่ไหมไม่ใช่โอ้หเป็นคนที่เรียกว่าเอาเน่เอานอนไม่ค่อยได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงนะามยินดียินร้ายผู้มีตัณหาหรือของผู้ละตัณหา ก็ต้องละปัญหาเป็นของผู้มีความยึดถือหรือไม่มีความยึดถือไม่มีความยึดถือเป็นของผู้รู้แจ้งหรือว่าเป็นของผู้เรียกว่าอะไรนะขำบอกว่าเชื่อๆกันไม่เหอะนะหรือว่าโงี้เขางมงายหรือว่ามีปัญญารู้แจ้งปรบอกเป็นของผู้รู้แจ้งนีนะเป็นของผู้ยังยินดียินร้ายหรือไม่ยินดียินร้ายไม่ยินดียินร้ายใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหเป็นคนที่เรียกว่า อาเน่เอานอนไม่ค่อยได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงใช่ไหมไม่มีความยินดียินร้ายเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ตอบพูดให้ถูกต้องแล้วถามว่าเป็นผู้มีความเนื่นช้าเป็นที่มายินดียินดีในความเนื่นช้าหรือของผู้ที่ไม่ยินดีในความเนื่นช้าหมายว่าช้าด้วยปัญหามานะที่ถิหรือว่าไม่ควรช้าด้วยมานะทิ่ฐิไม่สมควรจะช้าใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องวัดก่อนเพราะฉะนั้นความสันเริดเนี่ยเป็นอย่างนี้ ความสําเร็จเป็นอย่างนี้คือสรุปว่าต้องประสบความสําเร็จคือสิ่งเดียวความสําเร็จสิ่งเดียวนั้นต้องไม่มีราคะต้องปราศจากโทสะต้องปราศจากโมหะต้องปราศจากตัณหาต้องปราศจากอุปาทานต้องเป็นผู้ที่รู้แจ้งเขารู้แจ้งกันต้องอะไรอีกต้องไม่ยินดียินร้ายต้องไม่มีทำเป็นเครื่อง เนิ่นช้าอันนี้เป็นเครื่องวัดว่าเออสําเร็จใช่ละ่ะแต่ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็แสดงว่าพลาดแล้วผิดแล้วเนี่ยนะเออถ้าผิดแล้วรู้ว่าผิดกับไม่รู้ว่ไหนดีกัน อ, อรู้ว่าผิดเนี่ยดีเพราะสูตรนี้นะชอบมากแล้วมาชอบมานานล้ะเพราะอะไเพราะเป็นเครื่องวัดในการศึกษาพระธรรมว่าเป็นไปตามนี้ไหมอันนัเพราะพระธรรมเนี่ยจะ โดยถูกต้องต้องตรวจสอบกันเองได้นะเอาอีกอย่างหงไปที่ใบอีกอย่างลงได้โดยที่ไม่ขัดแย้งกันเนี่ยนะโดยที่ไม่ช็อตกันนะไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็สตาร์ช็อตกันไปเพื่อนหมดไม่ใช่นะเขต้องเป็นอย่างดีถามว่าในอัตกม า, าท่านอธิบายดีว่าถ้าหากว่าเลื่อนสายในาศาสดาอย่างอื่นเนี่ยนะาศาสดาอย่างอื่นอันระหว่างาศาสดากับสาวกเนี่ยนะสมมุติถ้าหากว่ า, าศาสดาที่ไม่ใช่พระริยเจ้าเนี่ย เราต้องคิดให้ดีนะถ้าศาสดาไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นจะบอกว่าถ้าศาสดาตกนรกเนี่ยนะเป็นนายนิรยาบาลแล้วลูกศิษย์เป็นสัตว์นรกเนี่ยถามว่านายนิรยาบาลจะสงสารไหมเอ้พวกนี้มันลูกศิษย์เรามาก่อนเพราะเราไม่ต้องทําลายมันนะได้ไหมไม่ได้ถ้าหากว่า เ, เดี๋ยวอ่านอัตกระถิ่ฟังนิดหนึ่งฟังแล้วสนุกดีนะเขาบอกว่า ศาสดาในศาสนาที่ไม่เป็นเครื่องนําสัตว์ออกจากทุกข์ตายแล้วเนี่ยนะบางทีก็ตายไปเกิดเป็นไหราราชสีบ้างคือสีห์เสือโคร่งสือหลวงเป็นหมีเป็ น, นเนสือดาวส่วนสาวกทั้งหลายก็ไปเป็นเนื้อสุกรเป็นกระต่ายทีนี้ถามว่าถ้าหากว่าศาสดาเป็นสีหะสาวกเป็นเนื้ออันนี้ถ้าหากว่าศาสดาที่ไม่แน่จริงอ่ะนะไม่ดีจริงเนี่ยก็นับถือแค่ตายวันหลังมาฆ่าเราซะดีๆเนี่ยไม่สมควรใช่ไหมสงสารเหมือไหม ไม่สงสารถ้าเป็นเสือเหลืองตั๊บมัน